ดารินยืนเท้าเอวจ้องจนกระทั่งลับตาแล้วหันมาทางบุญคำผู้ยืนยิ้มยิ้มอยู่ชินเกลียด จ, จนบอกไม่ถูกพรานใหญ่เจ้านายของนายบุญคำคนนี้นี่ถ่าลำพังฉันแล้วก็ฉันไม่จ้างมาให้ปวดหัวหรอกถ้านายหญิงไม่จ้างเจ้านายของผมนายหญิงก็ไม่มีทางจะจ้างพรานคนไหนได้อีกแล้วครับเพราะไม่มีใครกล้ารับจ้างนาทางครั้งนี้อานมีคนอื่นมาอาสารับจ้างบ้างแต่มันก็ต้องโกง ไว้ใจไม่ได้อย่างเก่งพอ ร, รับเงินแล้วก็เอาไปทิ้งสิกลางป่าหนีกลับเข้าข้างกันดีจริงนะอ้อลืมไปว่านายบุญคำเป็นคนของเขาหล่อนพูดอย่างฉุนฉุนผ่านพื้นเมืองผู้มีอายุหัวเราะร่วนอยู่เช่นนั้นโท่ไม่ได้เข้าข้างหรอกครับผลพูดตามจริงคุณรพินเห็นนายหญิงเดินออกจากแคมป์มาคนเดียวก็เป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกครับ จะต้องเป็นห่วงอะไรนักเที่ยวกอีแค่เดินอยู่ใกล้ๆแคนี้เองฉันคุ้มครองตัวฉันได้หรอกน่าแล้วมีอย่างเลยมาขึ้นเสียงทำหน้าตาดุฉันเสียงกับฉันเป็นเด็กเล็กๆในปกครองเขางั้นแหละบุญคําจะไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันจะเดินหาไก่ป่าหรือนกใกล้ๆแคนี้เองไม่ต้องมาลำบากเดินถือปืนกระบอกโตๆคุ้มกันฉันให้เมื่อยไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวสักหน่อยแถวนี้ โอ้ไม่ได้หรอกครับบุญคำร้องสันสีษะคุณรพินสั่งให้ผมไปกับนายหญิงไม่ให้ข่าสายตาเลยทำไมคำสั่งของเขาเป็นประกาศสิทนักหรือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับบุญคำพูดปนหัวเราะ อ, อย่างอารมณ์ดีป่ามันไม่เหมือนในเมืองไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นขนาดไม่มีอะไรเลยนายหญิงเดินห่างแคมป์ออกไปนิดเดียวอาจหลงกลับไม่ถูกก็ได้ให้ผมไปด้วยเถิดครับ อย่างน้อยช่วยนำทางช่วยเก็บไก่ป่าที่นายหญิงยิงแล้วช่วยแบกให้ก็ยังดีดารินพยักหน้าตวัดปืนขึ้นพาดบ่าเอาตามใจดีเหมือนกันพาฉันไปหาไก่ป่าหน่อยสิเมื่อกี้ได้ยินมันขันอยู่แถวแถวนี้แหละบุญคำสะพายปืนเดินนำหน้าหญิงสาวไปตามด่านสัตว์อันเป็นทางพาดสลับกันไปมาเหมือนมีมนุษย์มาทาทางไว เมืพีนกลับมาถึงแคมป์เป็นเวลาที่พวกลูกหาบทั้งหลายกําลังสารวจนอยู่กับการหุงหาเชิฐถาได้ชายยานเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นเวลากลางวันเรียบร้อยแล้วเดินสูบกล้องออกมาจากเต็นท์พอดีพอเห็นเขาก็โบกมือทักและเดินเข้ามาตอนช้ามืดผมออกมาเดินไม่เห็นคุณแงซายบอกว่าคุณออกไปสำรวจป่าเชิดถาว่าเดินเข้ามาตบไหล่เขาอย่างสนิทสนมครับผมเดินอยู่ใกล้ๆนี่เอง คุณชายกับคุณชา ย, ยานรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วหรือครับเรียบร้อยแง่ชายบริการดีมากเป็นทั้งคนมาปลุกและเทียบสำรับให้เราเสร็จเป็นอาหารเช้าที่วิเศษไม่ใช่น้อยซุปเนื้อสารกวางกับสเต็กหมูป่าฝีมือพ่อครัวพิเศษของเราไม่เลวเลยว่าแต่คุณเถอะทานอาหารเช้าแล้วอยังชา ย, ยันถามใช้มีดโกนวดอัตโนมัติซึ่งใช้ฐานแบตเตอรี่รูปอยู่ที่ปลายคาง ผมทานเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นเวลามันชินซิแล้วในเวลาเดินป่าเป็นไงครับนอนหลับดีหรือเปล่าสบายมากรวดเดียวตะ ว, วันขึ้นเลยถ้าช้างมันบุกก็คงไม่รู้สึกตัวว่าแต่เมื่อกี้คุณเดินสวนกับน้อยหรือเปล่าเห็นพอกินเสร็จก็จัดแจงคว้าปืนบอกว่าจะออกไปเดินใกล้ๆ ใ, ใ, ให้รอสักประเดี๋ยวก็ไม่ยอมพบการปากทางนี่เองครับเห็นบอกว่าจะไปหาไก่ป่าและพินตอบเรียบ เอจะเดินเลื่อยเจื้อยไปถึงไหนก็ไม่รู้เด็กนี่มันอวดดีเสุดด้วยประเดี๋ยวก็ได้หลงเสียเท่านั้นพี่ชายบ่นออกมาอย่างกางังวลกวาดสายตาออกไปยังความสลับซับซ้อนของดึงทึบรอบด้านระพินก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมให้บุญคามเดินไปด้วยแล้วประเดี๋ยวก็คงจะกลับคงไม่ไปไกลนักหรอกโล่งอกไปทีเห็นบอกว่าจะออกไปเดินใกล้ๆแคมป์แถวนี้แต่ผมก็ไม่ไว้ใจเลยน้อยไม่เคยชินกับป่ามาก่อน ชอบอวดเก่งชายันพูดมาอีกคนหนึ่งแล้วก็กล่าวปนหัวเราะต่อมาว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงปืนคงจะซัดไก่ป่าหรือไม่กะนกเข้าสักตัวแล้วกับมังยิงยอดไม้เล่นตามภาษาเด็กมือคันมากกว่าพี่ชายผู้รู้อุปนิสัยของน้องสาวดีแย้งมาแต่ละพินกลืนน้ำลายฟืดๆเกือบจะหลุดปากออกมาแล้วว่า เสียงปืนของของหม่อมราชวงหญิงดาลินที่ดังเมื่อครู่นี้ไม่ใช่ไก่ปานกหรือยอดไม้อย่างที่เชษฐาหรือชา ย, ยันเข้าใจหรอกแต่แท้ที่จริงเป้าหมายคือหมวกในขณะที่ยังครอบอยู่บนศรีรษะของเขาต่างหากหากก็เฉยเสียวันนี้คุณวางโปรแกรมยังไงไว้ให้เราเชษฐาถามขึ้นยิ้มยิ้มประทับมันริเกอร์ขนาดจุ0สกระบอกงามขึ้นสอดูศูน เราจะเริ่มกันตั้งแต่บ่ายครับระพินบอกดินกาแฟของพวกลูกหาบที่ใส่กาวางอยู่กับขอนไม้ใส่ขันดื่มสักประเดี๋ยวผมจะออกเดินสำรวจแล้วจะขัดห้างไว้ให้เรียบร้อยพวกเก้งกวางนะ่ะเห็นจะไม่มีปัญหาแน่วันนี้เกมของเราเพียงแค่ชันเก้งกับกวางเท่านั้นเองหรือชา ย, ยันผู้คึกคักในการร่าอยู่ตลอดเวลาร้องถามมาก็ยังไม่แน่นะครับ ถ้าโอกาสดีอ่านมีรายการวัวแดงด้วยก็ได้ผมจะเลยสำรวจไปทางหลังข่าวฝากโน้นด้วยตามปกติมันเคยมีถ้าพบรอยก็แบ่งกันออกไปได้เป็นสองทางคือใครจะนั่งห้างยิงเก้งกวางก็นั่งใครอยากจะเดินตามรอยวัวแดงก็เอาเวลากลางคืนถ้ายัางไม่เหนื่อยจะเดินสองไฟในทุ่งที่เราเคยยิงเรียงผาก็คงไม่ผิดหวังชายยันกระโดดขึ้นไปบนชะงอนหินสูง ใช้กล้องส่องทางไกลที่คล้องคออยู่ส่องสำรวจออกไปยังบริเวณป่าโปร่งทางด้านเหนือที่เห็นอยู่ริบๆรู้สึกว่าสัตว์ในป่าแถบนี้จะชุมเือเกินนะมิน่าคุณรพินถึงได้ดำเนินกิจการจับสัตว์ส่งขายให้บริษัทของคุณอัมพลเป็นร่ำเป็นสันได้ก็เป็นธรรมดามันเป็นป่าทึบกันดานที่นักล่าสัตว์ชาวกรุงยังบุกมามิถึงและคุณรพินก็เป็นผู้บุกเบิกป่าแถบนี้ออกไปเป็นคนแรก หม่อมราชวงเชิฐถาเป็นผู้ตอบแทนให้หางเสียงชื่นชมยกย่องก็พอจะมีบ้างตามสมควรครับไม่ถึงกับชุมหรือไม่ถึงกับหายากนักบางวันเดินทั้งวันไม่พบอะไรแม้แต่นกสกตัวและบางวันอาจพบสัตว์ชนิดหลีกไม่พน้นมาด้อมด้อมมองมองอยู่ใกล้ๆแคมป์ที่พักก็ยังเคยปะเหมาะ ก, ก็เยี่ยมเยียนทักทายถึงตัวเลยผมหมายถึงเสือหมีแล้วก็ช้าง จอมพรานตอบพร้อมกับหัวเราะเบาๆชัยันหดคอโดงคลางออกมาเอาเรื่องอย่างนี้คุณยังบอกว่าไม่ค่อยจะชุมอีกหรือว่าแต่พอขยับขึ้นจากเก้งกวางแล้วคุณมีอะไรจะให้เราตื่นเต้นบ้างย้ายแคมป์จากที่นี่เดินกันอีกสักวันเต็มๆก็ลองกระทิงดูเป็นไงครับถ้าจะให้ตื่นเต้นมากหน่อยก็แกะรอยขี้เกียจเดินก็ใช้นั่งห้าง จากนั้นอีกสักสองวันก็จะถึงหัวยาทองเสือรายพาดกนชุมเหมือนแมวบ้านอาจเดินลากหางมาให้เห็นเฉลี่ยแล้วทุกๆสี่ชั่วโมงพอขึ้นป่าหวายเราจะหลีกช้างไม่พ้นเลยไม่ว่าเราจะเจตนาพบมันหรือไม่บางทีอาจต้องออกกำลังวิ่งกันบ้างพอยืดเส้นยืดสายโดยเฉพาะมีโขงพิเศษอยู่โขงหนึ่งประมาณ30เห็นจะได้เป็นช้างงาอยู่ในราวหเจ็ดตัว ชาวป่าในละแวกนี้เรียกมันว่าโขลงไอแ้แหวงเพราะตัวจ่าฝูงหูข้างขวาแหวงไปข้างหนึ่งเป็นช้างโขลงที่ดุร้ายอันตรายที่สุดสถิติของมันเท่าที่ผมรู้เคยย่ำหมู่บ้านกะเหลี่ยงราบพนาศูนย์มาแล้วสี่หมู่บ้านหรือแคมป์นักสำรวจป่าในขณะที่เจ้าของแคมป์นอนหลับไม่ทันรู้ตัวสามครั้งคนที่ตายทั้งหมดรวมๆกันแล้วจากกองทัพของมันไม่ต่ากว่า40สบศพ ได้กลิ่นคนแทนที่จะหนีกับบ่ายหน้าเขาใส่ผมเองตามโขงของมันมาเป็นเวลาเจ็ดเดือนแล้วถ้าไม่ติดงานนำทางในครั้งนี้มาขัดไว้ก่อนเข้าป่าคราวนี้ผมก็ตั้งใจจะตามมันให้ได้ถ้าคุณชายยันกับคุณชายไม่คิดว่ามันจะเสี่ยงเกินไปอยากจะตื่นเต้นผชนภัยให้ถึงขีดสุดของการล่าจะถือโอกาสนี้ลองตามโขงไอแหว่งดูก็ได้นี่ครับ นอกจากเราจะหวังงาแล้วยังเป็นการดีสำหรับนักเดินป่าหรือชาวดวงในแถบนี้ทั้งหลายจะได้นอนตาหลับกันได้บ้างไอแหว่งมันเป็นอันธพาลใหญ่ระดานไปทั่วจอมพานพูดพรางหัวร้อพางอันดูเหมือนจะเป็นเรื่องขบขันก็นจริงแต่นายจ้างทั้งสองของเขาหันมามองดูตา ก, กันชายานผิวปากวื อ, ออกมาหรือหมู่บ้านมาแล้วสี่หมู่บ้าน กระทืบแคมป์นักเดินป่ามาแล้วสามครั้งอดีตนายพันตีอุทานออกมาโอ้โหว่ายังไงเชิดทาจะรบกันมันไหวเหรอแต่เดิมเราก็คึกคักกันอยู่ดีหรอกตั้งใจว่าเดินป่าครั้งนี้ต้องยิงช้างให้ได้แต่พอมาได้ยินคุณรพินพ์ุ่บบอกอย่างนี้หัวเข่าอ่อนเลยแหมคุณลพินนี่ก็เก็บเงียบเชียนะไม่ยอมบอกอะไรล่วงหน้าเลย พอเดินเข้ามาในป่าแล้วถึงจะค่อยขยายออกมาทีละนิดอ้าวก็ไหนแกฟิตนักไม่ใช่เหรออยากจะยิงช้างงี้แรดยางงี้หม่อมราชวง์เชิฐากล่าวพร้อมกับหัวเราหึ่พอคุณระพินจะหาช้างให้ยิงจริงๆก็ปอดแหกเหมาะทีเดียวยิ่งดุร้ายเท่าไหนยิ่งล่าสนุกเราจะล่าเขาก็ควรเปิดโอกาสให้เขาเป็นฝ่ายล่าเราบ้างถึงจะยุติธรรมดี ความจริงถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมไม่เคยยิงช้างเลยคุณรพินแต่ฟังตามคุณเล่านี่ก็เป็นอันตกลงเราจะตามฝูงไอ้แหว่งกันเป็นรายการสุดท้ายของการล่าเอาครับขอให้สั่งมาเท่านั้นผมนำไปให้พบได้ทุกอย่างความจริงก็น่าจะลองดูเพราะปืนที่คุณชายขนมาดีๆทั้งนั้นไม่ต้องถึงกับจุดห0นในโตหรอกครับจดที่คุณชายยานชอบสะพายก็เหลือแหลแล้ว อยู่ในขั้นปลอดภัยไว้วางใจได้ทีเดียวถ้าไม่ขวัญเสียจนเกินไปนักผมเองแต่ไหนแต่ไรมาก็ใช้เพียงจุด375เหเท่านั้นปะเหมาะบางที3006หรือลูกซองผมก็ก็ยิงมันมาแล้วเวลาจวนตัวเขาจริงๆอาศัยการวิ่งเร็วเขาช่วยบ้างเท่านั้นจอมผ่านพูดขันๆด้วยนิสัยถ่อมตัวเป็นประจำของเขาชายยันทำตาเหลคลางอ่อยๆเอาเอาอยัางไงก็เอากัน แต่บอกกล่าวก่อนนาะถ้าจะโรมรันกับฝูงไอแหว่งอย่างว่าแล้วก็ต่อให้ผมถือจุดหกศผมก็ขอเลือกเอาวิธีเดินอยู่ข้างหลังคุณรพินอย่าทิ้งผมก็แล้วกันทั้งสต่างหัวเราะกันอย่างครื้นครื้นสนุกสนานรพินทราบดีว่านั่นเป็นการพูดแบบติดตลกและเป็นกันเองตามนิสัยของชัยยันเท่านั้นเองเขาชอบสร้างบรรยากาศได้ครืคื้นอยู่เสมอ ชายยันไม่ใช่คนขาดหรือด่อต่อสิ่งใดเลยทั้งสิ้นมีสัญชาตยญาณของความเป็นนักผชญภัยไม่ได้บีกว่าเชษฐาเลยเว้นไว้แต่จะเป็นคนตลกขนองและเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นผิดกับเชิฐาซึ่งลึกซึ้งรอบครอบกว่าทั้งสองชายอยู่ผู้ฐานะนายจ้างของเขาเป็นบุคคลที่รักพินเชื่อมั่นไว้วางใจได้ว่าสามารถจะร่วมผจญทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาได้อย่างดีทีเดียว จอมพลานอธิบายให้คณะนายจ้างของเขาทราบว่านอกจากรายการล่าสัตว์ใหญ่ซึ่งกำหนดชนิดให้เป็นขั้นๆไปแล้วพวกเสือดำเสือดาวหมีหรือสัตว์ขนาดเล็กต่างๆจะพบตามรายทางไปอย่างไม่จำกัดอันหมายความถึงว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอประมาทไม่ได้พวกระองค์ละมั่งสมันหรือฟานที่เข้าใจกันว่าร่อยหรอสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ตามคาดคณีของนั ก, กล่าสัตว์ชาวกรุงทั่วไปก็จะมีโอกาสได้พบเห็นเมื่อใกล้หล่มช้างเข้าไปแล้วถ้าเลยหล่มช้างไปแล้วล่ะระหว่างที่เราจะมุ่งไปยังขุนเขาพระศิวะชยันถามอย่างเต็มไปด้วยความกระหายแล้วพินยิ้มขึม ข, ม, ขมตาลีลงผมไม่อาจบอกได้ครับว่าหลังจากหล่มช้างไปแล้วเราจะพบหรือเผชิญกับสัตว์ชนิดใดบ้างผมเคยเดินลึกออกไปเหมือนกันในรัศ ม, มีไม่เกินสิบกิโลเมตร ไม่เคยพบสัตว์อะไรเลยพบแต่รอยตีนช้างขนาดที่คนลงไปนั่งขัดสมาธิได้อย่างสบายเป็นช้างโทนไม่ใช่ช้างขโขงแล้วก็พบรอยของควายชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่ามหิงสาซึ่งเชื่อกันว่าหมดพันไปนานแล้วในชีวิตพรานอย่างผมเคยเห็นมหิงสาที่ว่านี่เพียงครั้งเดียวสมัยอายุเพียงสิอ็ขวบครั้งนั้นตามคุณพ่อเข้าป่าไปทางด้านขเขมร ตั้งแต่นั้นเดินป่านับเป็นสิบสิบปีต่อมาก็ไม่เคยเห็นอีกนอกจากรอยที่เลยหล่มช้างไปแล้วอย่างที่บอกมิสเตะกี้แรดที่ใครๆว่าป่าเมืองไทยไม่มีแล้วผมก็ได้มาตัวหนึ่งเมื่อข่าวที่แล้วนี่เองเอาไปส่งให้คุณอำพลผมได้ในบริเวณใกล้เคียงกับหล่มช้างตอนทุ่งโล่งที่ติดต่อกับตะเกียนล้มเทือกเขาพระศิวะไม่เคยมีเท้าของมนุษย์เหยียบย่างไปถึงครับเมื่อเราพยายามจะไปให้ถึง เราก็อาจได้พบเห็นกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้พบมันมีอะไรบ้างก็หรือที่จะเดาได้เพราะมันเป็นดินแดนที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนเลยและดินแดนนั้นแหละครับเป็นดินแดนที่คุณชดประชากรหรือขุนชายอนุชาได้ล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วเทศถาและชาัยยาันเงียบงันกันไปต่างตกอยู่ในห่วงคิดคำนึงไกลเกินกว่าที่ต่างคนต่างจะอ่านกันออก ถูกของคุณรัพินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอันริรับมืดมนมันรอเราอยู่ข้างหน้าและเราก็กําลังจะไปพบเห็นด้วยตาตนเองป่วยการที่จะไปคิดมันในขณะนี้ที่สําคัญที่สุดคือเราต่างคนต่างฝากชีวิตไว้แก่ ก, กันเท่านั้นรัพินขอตัวไปรับประทานอาหารเช้ากับคนของเขาพอเสร็จสับเรียบร้อยก็ถือปืนเดินมาที่เชิฐถากับชายยันผมจะกลับในราวรสักสิบเอโมงครับ ระยะเวลาระหว่างนี้อยากจะให้พักผ่อนอมแรงไว้เพราะก่อนจะไปนั่งห้างก็ต้องเดินกันเหนื่อยเหมือนกันตกลงเราจะรอคุณอยู่ที่นี่แหละไม่ถลายไปไหนหรอกอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องคุณชายก็คือสีหน้าของรัพินเคร่งลงเรื่องคุณหญิงดาลินครับกัลนูนาเตือนๆหน่อยอย่าให้เธอเดินเที่ยวออกไปนอกบริเวณแคมป์ของเราโดยไม่มีพานคุ้มกัน ลำพังผมพูดเธอไม่ค่อยจะเชื่อเลยใบหน้าของหม่อมราชวงศ์เชษฐาพลอยขึ้ลงด้วยพยักหน้าเอาละครับผมจะกำราบน้อยลงเด็กนี่ว่าญาเสียจริงพับผ่าชักหนักใจแล้วสิระพินพระไปพร้อมกับเกิดเสยและลูกหาอีกสองคนเพื่อสำหรับให้เป็นลูกมือตัดไม้ขัดห้างทิ้งจันไว้ให้เป็นพรานคอยควบคุมแคมป์พอแดดเริ่มแรงขึ้น หม่อมละชวงหญิงดาลินก็โผล่กลับมาถึงแคมป์มีบุญคําเดินหิ้วไก่ป่าและนกเงือกมาพวงใหญ่เดินตามหลังมาด้วยหญิงสาวหน้าแดงด้วยความเหนื่อยเหงื่อชุ่มโชกพี่ชายกับเพื่อนหนุ่มกําลังนั่งเล่นหมากลุกกันอยู่ที่ก้อนหินหน้าตัดเกลี้ยงเหมือนโต๊ะหล่อนเดินเข้าไปนั่งและทอดกายลงนอนอยู่ข้างๆอย่างหมดแรงเป็นไงเดินไปถึงไหนพี่ชายถามไกลลิฟตเลยครับพี่ใหญ่สนุกจัง ได้ไรมามั่งละ่ะช ย, ยันถามบ้างมองไปทางบุญคำผู้หิ้วพรุงผารังอยู่ได้ไก่มาตัวเดียวยิงมันไม่ค่อยทันไวจังแล้วก็นกเงือกสองตัวกระทาดงอีกสามตัวหมูป่าวิ่งตัดหน้าไปสองตัวตรงห้วยแห้งน้น้นมัวแต่ตกตะลึงยิงไม่ทันหรอนพูดพร้อมกับพงกตัวขึ้นมานั่งบงการให้บุญคำนำไปจัดการถอนขน แล้วหันมาทางหม่อมราชวง์เชิฐาถามเปลยๆอิตาพานภายไปไหนแล้วนี่ไม่เห็นรับพินน่ะเหรอเขาไปเตรียมขัดห้างให้เรายิงกวางตอนบ่ายนี่เดี๋ยวก็คงมาทำไมหล่อนควักภาชินหน้าออกมาซาบเหงือ่อแล้วโบกสะบัดไล่ความร้อนทําตาปรับลาบเหลือกเมื่อเช้านี้เกิดเรื่องกับน้อยรู้ไหมคะถ้าไม่คิดว่าจะต้องไปตามพี่กลางแล้วต้องอาศัยตานี่เสียอย่างเดียว น้อยต้องบอกให้พี่ใหญ่ไล่ออกจากการเป็นลูกจ้างแน่ๆเรื่องอะไรกันอีกล่ะพี่ชายถามเสียงต่ำๆขมวดคิว้วก็มีอย่างหรือคะเห็นน้อยเดินออกไปนอกแคมป์นิดเดียวเข้ามาตะ้องเอาตะวาดเอาพูดจาจะหาสัมมาคาระวะสกนิดก็ไม่มีป่าเถื่อนสิจริงๆนี่น้ะเหรอคนได้รับการศึกษาดีมาแล้วดูทีเหมือนไอ้โจรป่าหม่อมราชวงเชาืาจุปากเบาๆ มองดูน้องสาวด้วยสายตาตำหนิเออแหน่น้อยนี่เป็นยังไงนะพี่เห็นลบกับพระพินมาตลอดทางตั้งแต่ต้นทีเดียวพี่ใหญ่ไม่เห็นนี่คะเวลาก็พูดกับน้อยพูดยังไงต่อหน้าพี่ใหญ่ก็พี่นอพี่เทาดีอยู่หรอกพอรับหลังหางเสียงก็ไม่มีสะบัดแพร็ดแพรดเขาควรจะรู้บ้างว่าเวลาพูดกับสุภาพสตรีนะ่ะพูดยังไงไม่หนําซ้ำสุภาพสตรีคนนั้นยังมีฐานะเป็นนายจ้างเสียอีก ไอเรามันคอยรวนคอยหาเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลานินาชัยยันรากเสียงช่วยว่ามาแล้วเรื่องของเรื่องก็ไม่เห็นมีอะไรเรามันหัวร้านดือ้อเขาหวังดีกับเราแท้ๆยังไปอวดดีกับเขาอีกนี่เขาก็มาบอกเหมือนกันว่าเราไม่ยอมเชื่อฟังอะไรเลยเวลาเขาเตือนอ้อนิ่ดอดมาฟ้องก่อนแล้วงั้นล่ะก็ไม่ได้ฟ้องอะไรหรอกทั้งฉันและเชียร์ถาก็เห็นว่าเป็นความจริง เราจะออกเดินเที่ยวนอกแคมป์คนเดียวใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็คงจะท้วงห้ามไว้แล้วก็เลยทะเลาะ ก, กับเขาแล้วพินน่ะไม่ได้มีอะไรกับเธอเลยสักนิดเดียวเธอต่างหากตั้งข้อขอมเมนเข้ามาเต็นไหนเต็นไร ห, หาเหตุผลไม่ได้ด้วยว่าเป็นเพราะอะไรดารินลุกขึ้นสะบัดหน้าเดินฉับๆเข้าเต็นไปเสียก่อนที่ยังเล็กน้อยแล้วพินก็กลับมาถึงแคมป์กว่าสายตาไม่เห็นคณะนายจ้างของเขา เห็นแต่เพียงพวกลูกหาบนั่งนอนเล่นกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ก, ก็เดินตรงไปที่เต็น์เห็นแง่าสายกำลังนั่งชำระล้างปืนของหม่อมราชวงดาลินอยู่หน้าเต็น์นายวิชายสองคนอยู่ไหนนอนอาน่านหนังสืออยู่ในเต็น์ครับแล้วนายผู้หญิงล่ะกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอครับกลับมาแล้วอยู่ข้างในแง่ายสาย่สายหัวมาอยู่ครับนายหญิงไปอาบน้าที่ทานข้างล่างโน่นรพินขมวดคิ้วถามเ็วปื หาไปอาบน้ำครับไปยังไงไปกับใครไปคนเดียวพรานใหญ่อุทานอะไรออกมาคำหนึ่งลืมตาโปรงร้องเร็วบปรือแล้วกันแกอยู่ยังไงหาแงซ า, ายปล่อยให้ในายหญิงไปอาบน้ำที่ลำธาร น, นั้นคนเดียวผมห้ามแล้วครับนายหญิงไม่เชื่อผมตามไปด้วยนายหญิงไล่ผมกลับมาไปนานแล้วยังสักครู่นี้เองรพีนไม่ได้กล่าวอะไรอีกแม้แต่คาเดียว ขวาไหเฟิลที่เพิ่งจะวางลงหยกยกขึ้นมาแล้วสาวเท้าพรวดพรวดตัดทางเดินลงไปสู่รำธารเบื้องล่างโดยเร็วเมื่อก้าวลงมาถึงรำธารอันอุดมไปด้วยกวดและโคถหินที่งอกอยู่ระเกะระกะจอมพรานกาดสายตาอย่างรวดเร็วในบริเวณทานน้ำเขาไม่เห็นอะไรในอาการกวาดตาผ่านอย่างคร่าวานั้นเพราะตำแหน่งนั้นสลับซับซ้อนไปด้วยก้อนหินใหญ่และกอไม้น้าสงดเงียบวังเวง ได้ยินแต่เสียงนกร้องและน้ำที่ไหลซ้อเก่งหินอยู่ดินดินหันมาตรวจบริเวณริมฝั่งทางด้านขวามือก็มาสะดุดชะงักอยู่ที่โขดหินเกลี้ยงก้อนหนึ่งใต้ลมพยาใสาใหญ่เสื้อผ้ากองหนึ่งวางอยู่ที่นั่นรถพินกระโดดสองสามครั้งก็ถึงหินก้อนนั้นเสื้อเชิ้ตกางเกงเข็มขัดปืนสัน้นบูทวางกองรวมกันอยู่ที่นั่นร้ายกาจที่สุดก็คือซับในทั้งสองชิ้นวางซ้อนอยู่เบื้องบน แสดงว่าปลดออกไปเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีปัญหาเจ้าของลงไปในทานน้ำโดยไม่มีอะไรติดตัวแม้แต่สักชิ้นเดียวก่อนที่เขาจะอ้าปากตะโกนเรียกเสียงน้ำแตกอยู่หลังก่อต้นบอลพร้อมกับเสียงร้องแหลมออกมาอย่างตนกุกแลระคนฉุนเฉียวเร็วปรี๊ดฟังแทบไม่ได้สับบ้าคนไม่มีมารยาทมายืนอยู่ทาไมที่นั่นฮะดูสิยังมาจ้องอยู่ได้คนระพินภพยวัน เสยปีกหมวกขึ้นไปเล็กน้อยปาดแขนเช็ดเหงื่อบนใบหน้าพร้อมกับถอนใจออกมาอย่างร่งอกนึกขอบใจเจ้าป่าเจ้าเขาที่หม่อมราชวงศ์ดาลินไม่มีอันเป็นไปเสียก่อนจนกระทั่งเขาตามมาพบทันน้ำในทานใสแจ๋วราวกับกระจกและก็มิดลึกเลยก่อต้นบอนก็ใช่ว่าจะขึ้นหนาแน่นทึบอะไรนักร่างขาวปนชมพูผ่องวับแวมอร่างอยู่หลังกอบอนนั้น ทั้งๆ ท, ที่เจ้าของพยายามเบียดห่อตัวให้แคบเข้ามาที่สุดจอมพรานหนีปรายเฟินไว้ในซ่อแขนควักบุหรี่ออกมาก้มจุดสูบเสียงของเขาเรียบก็จริงแต่เครียดขอพูดจากความจริงใจสักครั้งเถอะคุณหญิงทำความหนักใจใผมเหลือเกินและถ้าคุณหญิงยังขืนดืน้อดึงไม่ยอมฟังคำเตือนของผมบ้างเลยในการเดินทางของเราคงเต็มไปด้วยอุปสรรคฉันไม่ทาอะไรให้คุณฮะ ฉันร้อนฉันก็มาอาบน้ำอยากจะรู้นักมันหนักอะไรคุณไม่ทราบเสียงตะโกนแผดเอ็ดออกมาจากหลังกอบอลที่เป็นฉากบางๆกั้นอยู่แสดงว่าเจ้าของเสียงอยู่ในโทสะขีสุดผมไม่มีเวลาจะมาอธิบายอะไรกับคุณหญิงอีกแล้วแต่จะขอออกคำสั่งเป็นทางการว่าขึ้นจากน้ำนั่นเดี๋ยวนี้เอาละผมจะถอยไปยืนอยู่ที่หินก้อนนู้นหันหลังให้คุณหญิงจัดการสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด ว่าแล้วรพินก็หมุนตัวกลับกระโดดไปยืนห่างอยู่ที่หินก้อนหนึ่งหันหลังให้ดารินตะโกนบริภาษเอ็ดอึงอยู่เช่นนั้นดูเหมือนก้อนหินเรื่องเรืองหลายก้อนจะปลิวตามหลังเขามาด้วยแต่ไม่ถูกอวดดีวางอำนาจเป็นหมดทุกอย่างถ้าฉันไม่ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาละอยากลองเหมือนกันจอมพรานหันกลับมาอีกครั้งอย่างหมดศรัทธาแต่แล้วทันใดนั้นเอง ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอย่างใดถูกในภาวะอันยุ่งยากปวดหัวนี้เสียงแปรแปนก็แผดกล้องออกมาจากพงทึบของลำธารฝั่งตรงข้ามระยะห่างเพียงไม่เกิน300เมตรพร้อมกับป่าหักกลู่ร่างมหึมาที่มองดูเหมือนภูเขาเคลื่อนที่โผล่ทมึนออกมาชูวงวงร่อนราสองหูใหญ่กลางพึ่งโบกวาดอยู่ไปมาวิ่งเหยาะๆลงมาที่ธา น, น้า รพินตะลุงไปเพียงเสี้ยวของวินาทีเลือดของพานที่ตื่นพร้อมในฉับพันเพียงเก้าเดียวส่งเขามายืนอยู่กลางลำทานเป็นเวลาเดียวกับที่หม่อมราชวงหญิงดาลินผวาวิ่งสวนเข้ามาอย่างลืมสติทั้งทั้งที่ตลอดทั้งล่างงามสว่างโลเพราะปราศจากอภรรแม้แต่ชิ้นเดียวความตกใจที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันทําให้หล่อนลืมคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้นและก็ทําอะไรไม่ถูกนอกจากจะวิ่งมาเกาะเขาไว้ จอมพรานใช้แขนปาดหญิงสาวไปไว้ข้างหลังร้องสั่งเรืวปือ้อไปหลบอยู่หลังไซใหญ่นโน่นเร็วหล่อนวิ่งแจ่นเข้าไปที่ไซต้นนั้นนางช้างพางตรงปาดมาถึงริมน้าก็หมุนตัวหันหลีหันขวางและชูงวงส่งเสียงร้องก้องอยู่เช่นนั้นแล้วพินยืนขวางหน้าดักอยู่ส่วนกลางของลาธารจ้องตามไม่กระพริบขยับปืนเตรียมพร้อมเดี๋ยวนี้เขาพอจะดาต้นเหตุถูกแล้ว เพเห็นลูกอ่อนของมันโผล่ป้วนเปี้ยนตามแม่ออกมาข้างๆความดุร้ายของมันย่อมจะขึ้นอยู่กับการห่วงแหนห่วงพะวงอยู่ในลูกตามสัญชาตญาณของช้างแม่ลูกอ่อนนั่นเองเป็นนางพังที่มีลูกติดมาเพียงโดดโดดไม่มีโขงมาด้วยหรือมิฉนั้นโขงก็อาจอยู่ห่างออกไปมันทำท่าห่วงหน้าพะวงหลังหมุนคว้างอยู่เช่นนั้นคล้ายๆจะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะปรีเข้าใส่หรือจะถอยล่าไปดี ชะตาของมันย่อมจะขึ้นอยู่กับลูกของมันนั่นเองถ้าลูกของมันหลีกไปทางอื่นนางแม่ก็คงจะถอยแต่ถ้าลูกแล่นปาดเข้ามาหาเขาอันเป็นธรรมชาติขี้เร่นของลูกช้างทั้งหลายก็หมายถึงว่านางแม่จะต้องโลดเข้ามาและนั่นคือจุดจบของมันรพินก็อ่านใจมันอยู่เหมือนกันขอไม่อยากจะฆ่ามันโดยไม่จำเป็นและถ้าฆ่าแม่ก็จาเป็นต้องฆ่าลูกด้วย นั่นไม่ใช่สิ่งที่พรานใหญ่อย่างเขาต้องการเว้นแต่จะเลี่ยงไม่ได้ความเคยชินและจัดเจนอยู่ในสัญชาตญาณสัตว์ป่าทุกชนิดทําให้สายตาอันตื่นโบกโพรงของดารินที่จ้องออกมาจากโคนสายที่หลบอยู่ไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งสิน้นนอกจากจะเห็นว่าระพินภัยวานเป็นจอมพรานที่ใจเย็นและห้าวที่สุดเขายืนประจันหน้าช้างแม่ลูกอ่อนในระยะแทบจะเรียกได้ว่ากระชั้นชิดเหมือนใช้เวทมนตร ปืนในมือก็ไม่ได้ไปทับขึ้นจริงจังอะไรนะักจ้องมองดูมันอยู่เฉยเฉยเช่นนั้นเองหล่อนคิดว่าเขาคงจะยิงและยิงจนกว่ามันจะร้มลงหรือมิฉะนั้นมันก็ยิ่งเข้าถึงตัวแต่เปล่าทั้งสิ้นพลานใหญ่ยืนเฉยมันเป็นภาพที่หล่อนจ้องตะลึง อ, อกสั่นขวันบินนางช้างรีรอโบอกหูชูวงวงอยู่อีกอึดใจก็เดินถอยหลังอย่างระมัดระวงังต้อนลูกของมันเข้าดงทึบ หายไปอย่างช้าช้าพอรับตาก็มีเสียงป่าแตกเป็นทางอู้ไประพินผ่อนลมหายใจยาวออกมาอีกครั้งหมุนตัวกลับเดินมาที่ฝั่งเดิมมาหยุดยืนอยู่ที่ต้นใส ซ, ซึ่งดาลินหลบหน้าซี่ตัวสั่นอยู่อย่างอีกด้านหนึ่งแกล่งพูดขึ้นรอยลอยถ้ายังไม่หายร้อนคุณหญิงจะลงไปแช่น้ำอีกก็เอาผมรู้สึกตัวเหมือนกันว่าผมเป็นคนไม่มีมารยาท เห็นจะต้องหลบไปก่อนเชิญคุณหญิงอาบน้ำให้สบายเถอะว่าแล้วก็ออกเดินจะพระขึ้นไปคนใจร้ายเกิดมาไม่เคยพบอยากรู้นักทำไมถึงทมินหินชาติอย่างนี้เสียงสัน่นอันเกิดจาก้างที่สั่นกระทบกันดังออกมาเบาๆจากหลังโคลนใสไม่แผ่แรมเกี้ยวกราดเหมือนเมื่อครู่พรานใหญ่ซ่อนยิ้มหยุดรีรอวางหน้าเฉยเสียงสั่นเครือนั้นดังมาอีกนี่จะทิ้งฉันไว้คนเดียวอย่างนี้น่ะเหรอ อ้าวแล้วกันก็จะเพิดไล่อยู่ยกๆนี่เองหยุดพูดหรือทำอีแบบนี้ได้ทีขี่แพทย์ไล่เสียทีเถอะถึงยังไงฉันก็ต้องง้อคุณอยู่ดีนั่นแหละ mm. ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องง้อนี่คุณรู้ไหมเสียงของหล่อนสะท้านดังขึ้นมาเหมือนจะร้องไห้ขณะนี้ฉันยืนอยู่ตัวเปล่าเปล่าไม่มีผ้าแม้แต่ชิ้นก็แล้วทาไมคุณหญิงถึงไม่สวมเสียให้เรียบร้อย บ้าฉันจะออกไปเอาได้ยังไงเสื้อผ้ากองอยู่ทางโน้นก็นั่นน่ะสิผมถึงบอกว่าให้ผมไปเสียก่อนยังไปไม่ได้เฮ้อจะเอาอยัางไงกันแน่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้คุณไปเอาเสื้อผ้าไหมฉันเสกแก้งโยอยู่ได้คนผีทะเลอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ถ้าจะเป็นผีก็ผีป่าไม่ใช่ผีทะเลเสียงเต้นสอยเท้าอย่างแสนจะขัดอกขัดใจอยู่หลังโคนต้นไทร พร้อมกับร้องกรีดออกมาดังๆรพินสะดุ้งโหยงต้องยอมจำนวนเดินบน่นพึมพามเข้าไปหอบเสื้อผ้าของหญิงสาวที่ถอดกองไว้นำมาทำเป็นถือเก้เก้กังๆอยู่ที่โคนต้นไทรไม่ต้องโผล่เข้ามานะดารินร้องเสียงลงอ้าวแล้วจะส่งให้ยังไงวางไว้ที่ก้อนหินนั่นแหละแล้วกลับหลังหันเดินออกไป1ิก้าอย่าหันกลับมาจนกว่าฉันจะเรียกคุณรปินเป่าลมภูออกจากปาก วางเสื้อผ้าไว้ให้หล่อนแล้วถอยออกไปยืนหันหลังให้มีเสียงเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังอึดใจใหญ่ๆก็มีเสียงรองเท้าย่ํากรวดเข้ามาใกล้เรียบร้อยแล้วอย่างไรไม่มีเสียงตอบจอมพรานเหลียวกลับมาก็เห็นหม่อมราชวงหญิงคนสวยแต่งกายเรียบร้อยแล้วกําลังคาดขุมขัดปืนสั้นอยู่พอประจันหน้าศบตาใบหน้าของหล่อนก็แดงจัดหลบตาทางหนึ่งด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายได้ นึกถึงภาพตนเองที่วิ่งพรวดพราดขึ้นมาจากทานน้ําโผล่เข้ามาหาเขาด้วยร่างอันเปล่าเปลือยเพราะความตกใจในขณะที่ช้างป่าโผออกมาความอายทําให้แทบจะต้องแทะแผ่นดินเกิดมาหล่อนยังไม่เคยตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ให้ใครเห็นมาก่อนดีหน่อยที่ขณะนั้นเขาไม่ได้สนใจจ้องมองหรือพินิษพิจารณาร่างกายของหล่อนเลยความสนใจของเขาอยู่ที่ช้างป่าตัวนั้นเท่านั้นและในขณะนี้เขาก็ตีหน้าขึ้มเฉย แววตากระด้างกระด้างเหมือนเดิมไม่มีอากับกิริยาหรือท่าทีอย่างใดในการที่จะเน้นให้หลอนรู้สึกอับอายเพิ่มขึ้นอีกแทนที่เขาจะวางท่าแบบได้ทีขี่แพะไล่อย่างที่หลอนคิดเขากลับพูดมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆช น, นิดที่ทำให้หลอนโปร่งใจและลดความอายดังว่าความจริงผมให้ลูกหาบทาห้องน้าไว้ให้ที่เต็นแล้วเมื่อเย็นวานนี้คุณหญิงก็อาบน้าอยู่ในเต็น